บุ๊ก e ทูยี่สิสาการเรียนภาษาต่างชาติ o c ok e n i c a l b u m o k i m u s e s คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Curios m o c h i s t i s e s p a ñ a l b o s คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Ar mokote ok ir o p o r ู u g a l ุ ok k, k, k a l b ก k ลบะค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะเตปอัลโ i t กอิเช็กติเอกอ i ตาลิสค่ะดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากม a โนทรูดูย a สกัลบะตล ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากโชสกัลบ a n กนัปนาชุ s ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีอ j ิ s labai gerai s u p r a n t ตแต่การพูดและการเขียนมันยากเบเตราชีเตอิร์กัลเบเตอิราสุงกงดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก a า dar da d a u า l a i d ด darau. t ร k มทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาดัตประเทศการออกเสียงของคุณดีมากยูสูตเตอร์ติซคุณมีสำเนียงนิดหน่อยยอซต คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Galma a a ž i n t i n a es u r i o s o ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ o q i l j ū s g i m t o i k a l b a คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าค a s l a n k, k, k, k o t e k a r b o s k u r u s คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ V v dai, k ุกกี้ d ่าโ l ว n a u d o j าตัวตอนนี้ดิฉันจาชื่อไม่ได้ค่ะดาบาร์ชัวเมตุเนชโนเกเบี i สวัดน n สัมดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะเนป i ิส n านุปวเดนิมูดิฉันลืมไปแล้วค่ะช